Rac. ถ้าฟุ้งอย่างนี้เนี่ยนะมตกเหวนะตกเหวคือชาติชรามรณะเป็นต้นนะอันนี้พูดถึงแบบชีวิตคนยากทั้งหลายเนี่ยนะคนยากคนไร้ายคนอนาถาเพราะถ้าพลาดตรงนั้นไม่มีอริยทรัพย์มาชดเชยเนี่ยนะเข้าคุกแน่คุกคือนรกกับคุกคือเดราชานเป็นคุกที่ใหญ่แล้วก็คุกที่โตจริงๆทีนี้มามองตรงกันข้ามว่าพระศาสดา ข, ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์มีอริยทรัพย์อะไรใช้บ้างก่อนที่จะปรินิพพาน ในฐานะที่พระองค์เป็นพระธรรมราชานะะพระธรรมราชานั้นมีอะไรใช้ก่อนที่จะดับขันธะปรินิพานอะไรบ้างทบทวนนะหนึ่งในข้อ144หน้าส2 2ยพูดถึงการปรินิพานของพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นการใช้อริยทรัพย์ตามลำดับก่อน ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าปฐมฌานเพราะไม่ต้องห่วงว่าจตุปาริสุทธิศีลศีลทั้ง4ประการปาติโมขสังวนอินทรียสังวนอนปัปจจะสันนิสิตาศีลอาชีวปาริสุทธิ์ที่ศีลศีลของพระองค์บริบูรณ์เรียบร้อยมาดีอยู่แล้วเนื่องจากว่าอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลฮิริโอตปะสุตะจาระคปปัญญาคุณธรรมทุกประการของพระองค์เพียบพร้อมเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์นั้นพระองค์จึงเข้าปฐมฌานได้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 ออกจากทุติยชาตเสร็จแล้วก็เข้าตัตยยชาตทุกประเภทออกจากตัติยชาตแล้วก็เข้าจตุทัชาาทุกอย่างออกจากจตุทัชาาเสร็จแล้วก็เข้าอากาสารัญจายตนะโอกาสอากาสารัญจายตนะเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะ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 มีปทวีกสินเป็นอารมณ์ก็ออกจากปฐมฌานก็เจริญอนุปัสนา7ในปฐมฌานแล้วก็เข้าปฐมฌานที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์แล้วก็พิจารณาโดยอนุปัสนา7เข้าเตโชกสินเป็นอารมณ์ก็เจริญอนุปัสนาเจตเข้าวาโยกสินเป็นอารมณ์ก็เจริญอนุปัสนา7เจริญกสินสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงออกจากแต่ละฌานก็เจริญอนุปัสนา7นะเข้าปฐมฌานที่เป็นอสุภสารพัฒชนิด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 อันนั้นยี่สบสี่กลุ่มชาญใหญ่นะแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยคืออย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในฐานะพระธรรมราชาผู้มีสมบัติคือโลกิยาสมาบัติโลกุตระสมาบัติพระองค์ต้องบริโภคทั้งหมดแล้วค่อยปรินพานเนี่ยนะเรียกว่าได้เสวยใช้สอยเท่าไหร่บอกเท่าแรกประสรุเลยก็ั่ เข้าฌานสมาบัติเท่ากับแรกตรัสรู้แรกตรัสรู้เข้าฌานสมาบัติเท่าใดเช่นไรและอย่างไรก่อนจะประยญนิพพานก็เข้าฌานสมาบัติเท่านั้นเนี่ยนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความชำนาญอย่างสุดยอดเนี่ยนะเพราะชำนาญเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละชาวนะเนี่ยชาวนะที่หนึ่งฌานที่หนึ่งชาวนะที่สองฌานที่สองชาวนะที่สก็กลมฌานาที่3าไปแล้ว่านเปลี่ยนได้ทุกชาวนะ ตามแต่พระองค์พุทธประสงค์เพราะจิตของพระองค์เนี่ยฝึกจนก็ฝึกด้วยศีลฝึกด้วยสมถะฝึกด้วยวิปัสนาฝึกด้วยคุณธรรมทั้งปวงพ้นเข้าปฐมฌานทั้ง24่ฐานะเข้าทุติยะฌานสิบสามฐานะเข้า ต, ตัตยยฌาน13ฐานะเข้าเจสิบสฐานะเข้า จ, านะาจตุทัชฌานสิบห้ฐานะานี่นปะปฐมฌานนี่ยีุ่ติยะฌานสิตตยยฌาน13บสามจตุทัชฌาน สิบห้ารวมกันเป็นเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะกลุ่มชานนี่เจ็ดสิบห้ากลุ่มแล้วแต่และกลุ่มไม่ใช่ว่าแหมอันเดียวเป๊ะแบบโดดโดดไม่มีอะไรนะบอกไม่เฉพาะว่าเนี่ยปฐมฌานที่มีอสุภะทั้งอสุภะภายในแล้วก็อสุภะภายนอกหรืออาการสาสสองทุกอาการพระองค์เข้าฌานได้หมดเลยนะอสุภะเนี่ยถือว่าเป็นสิบแล้วใช่ไหมอาการสาสสองนับหนึ่งกสินอีกแปดเมตตา กรุณามุทิตาและอุเบกขาอานาปานสติก็รวมกันเป็นเท่าไหร่ยี่สิี่ใช่ไยี่ิบสมีอะไรอสุภะสิบบวกกสินแปดก็เป็นสิบแปดบวกเมตตากรุณามุทิตาอีกสามก็เป็นยี่สิบเอ็ดบวกอาการสามสิบสองอีกหนึ่งก็เป็นยี่สิบสองแล้วก็อานาปานสติอีกหนึ่งยิบสามปริเฉธาการอีกหนึ่งเป็น 24่มันเข้าปฐมฌาน24ฐานะแต่ละฐานะอย่างอสุภะเนี่ยที่มีอยู่ในโลกที่คนเข้าฌานที่เป็นมาจากอสุภะก็เข้าทุกชนิดอาการ32เข้าฌานในทุกทุกอาการตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าปฐมฌานได้หมดเลย เกสินทั้ง8เลยนะเกษินดินน้ำไฟลมเกสินสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงทุกอย่างเข้าได้หมดเลยเมตตาในสัตว์ทั้งหลายโดยที่สุดหาประมาณไม่ได้ทุกทิศ ท, ทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั้งโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงกรุณาทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจงแผ่ไปในทิศ ท, ทั้ง10 ท, ทั้งที่เป็นสัตว์บุคคลตานะพูดเนี่ยนะหรือว่าได้ตั้งแต่นรก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 น, นะปีติสุขและเอกขคตาย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าออกจากปฐมฌานสารพัดอย่างเจริญอนุปัสนาทั้งเจประการเนี่ยนะเจริญทั้งอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาปฏินิสคานุปัสนาเจริญอนุปัสนากับปฐมฌานทุกอย่างคือว่าถ้าพิจารณาแบบธรรมดาและเข้าฌานเนี่ยถือว่าแม้ไม่ค่อยลึกซึ้งเลยเนี่ยนะเป็นรูปเปโธนาธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแล้ว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 แล้วก็เข้าเข้าอะไรเจริญอนุปัสนาต่อหลังจากนั้นก็เข้าทุติยชาญเนี่ยนะทุติยชาญมีอยู่ทั้งหมดสิบสามฐานะเพราะอาสุภาสิบกับอาการสาสิบสองไม่ได้ทุติยชาญนนะก็เข้าทุติยชาญโดยเกสินแปดโดยเมตตากรุณามุตตาอานาปานสติและปริเชษกาศเนี่ยนะก็คืออากาศที่ ที่ว่างอะนะอากาศโล่งๆนั่นก็เป็นอารมณ์ของทุติยะฌานตติยะฌานก็กันอะไรออกไปกันสุขรเหลือแต่เหลือแต่สุขปฐมปฐมฌานมีองค์หคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยะฌานเอาวิตกวิจารออกไปเหลือปีติสุขเอกคตาตติยะฌาน การปีติออกไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาเนี่ยนะเหลือแต่ความสุขกับเอกคตาเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าจตุทชาตอีกสิบห้ฐานนะก็คือต่อจาก เ, เมตตาก็เข้าอุเบกขาพรหมวิหารก็ได้ต่อจากมุทิตาหรือกรุณาก็ต่อด้วยอุเบกขาพรหมวิหารอานาปานาสติปริเชษทากาศและที่มาจากกสินทุกอย่างเช่นกสินทุกประเภทเนี่ยนะ เพิ่จากพัทธวีกสินเข้าอากาสารัญจายตนะเพิ <she? ole FP Pro> ่จากเตอาโปกสินก็เข้าอากาสารัญจายตนะเพิ่จากเตโชกสินก็เข้าอากาสารัญจายตนะเพิ่จากวายโยกสินเพิ่จากสีขาวสีเหลืองสีแดงก็เข้าอากาสารัญจายตนะไม่ใส่ใจในอากาศก็กาหนดอากาสารัญจายตนะเป็นอารมณ์เข้าวิญญาณัญจายตนะเนี่ยนะไม่ใส่ใจในวิญญาณอนันต์กหนด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 เจ้าของแห่งธรรมเนี่ยนะสามีแปลว่าเจ้าของเจ้าของแห่งธรรมบริโภคคุณธรรมทั้งหลายสารพัดชนิดทั้งโลกิยะสมาบัติและโลกุตระสมาบัติแต่พระองค์ไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะบริโภคดินน้ำลมไฟทาวารบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่แต่เป็นผู้ที่บำรุงจิตใจเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ฝึกจิตอบรมจิตให้ถึงถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะที่สุดของผู้ที่ฝึกเสร็จแล้วก็คือความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองผู้เป็นพระธรรมสามี นะบริโภคใช้สอยธรรมทุกอย่างที่มีหลังจากที่พระองค์จะเสด็จเข้าสู่ปรินิพานก่อนปรินิพานพระองค์เข้าสมาบัติถ้านับแบบกลุ่มๆ ก, ก็รวมประมาณ24่สิบสี่แสนโกรธเนี่ยนะยี่สิบสแสโกรธแสนโกรธก็เท่าไหร่เยอะแล้วนะยี่สิบสแสโกรธก็ถือหลายหลายร้อยหลายหลายหลายแสนล้านมากเนี่ยนะหลายแสนล้านหลายหมื่นล้านมากนะนะ ก็จริงๆก็ใช้ประมาณ24ล้านโกฎสมาบัติเนี่ยนะสล้านโกดสมาบัติสมาบั ต, บ ต, บติที่เข้าเหล่านี้เนี่ยซึ่งใช้เวลาอยู่ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงไ ม, ไม่อาจจะไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำในการเข้าถามว่าทำไมเพราะพระ อ, องค์ใช้เวลาอยู่กับผวังในสั้นมาก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 จิตเตสังกิริเททุกคติบาติกังขาสำหรับบุคคลที่มีจิตเศร้ามองก่อนจะตายอาบายทุกคติวินิบาตนรกเป็นต้นก็หวังได้หวังได้เลยว่าจะต้องเกิดในนรกประมาณ528ยดขุมเนี่ยนะหวังได้เลยว่าจะเกิดในเดรชะมีกี่ฝูงมีกี่จำพวกหวังได้เลยว่าจะเกิดในเปรต ทั้งสิกลุ่มใหญ่วังได้เลยว่าจะต้องเกิดในอสุรกายผู้อดอยากหิวโหยอีกเท่าไร่พันจิตผู้ที่จิตเศร้าหมองเดือดร้อนเร่าร้อนไปอักกับอกุศลกรรมมาจากปานาธิบาตอธินนาทานกาเมหรือสรุปว่าเดือดร้อนมาจากอากุศลกรร ม, มบททุกๆข้อหรือเดือดร้อนเพราะไม่ได้เจริญกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ก็อบายเป็นที่ไปสัตว์เหล่านั้นจํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยนะเยอะจริงๆ